ั ن ا ء ตินะใน الدنيا พัสนะและในอันเขี่ติพัสนะว่างีน่าอาดับน้าละฮะบัลละชุคครับับัีับับับับับับับับับับับับับับับับัลับับับับับับับับับับับับับับับับับับับับับับับับับ ช่วงฮัตและก็ช่วงไหเดลอบับฮาวันนี้เราก็กลับมาเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งเราขอดุอาจากอัลลอสุภาอัลสาลาหนะครับให้การเริ่มต้นใหม่ของเราในการศึกษาในการมานั่งอ่านอัลกุรอานร่วมกันจะเป็นบรักัตแก่ชีวิตของเราตลอดไปและก็มีผลการเพิ่ม ความศรัทธาของเราความรู้ของเราอามลซอลอ ม, ล, ح, อมลที่ดีของเราความสัมพันธ์ของพวกเราทุกคนนะครับในฐานะที่เป็นบ่าวของพระสุภาตบุรุวเป็นพี่น้องกันในร่มเงาแห่งศรัทธาให้มัจลิสแบบนี้นะครับเป็นมันจลิสที่เรียกว่าที่ชุมนุมของบรรดาอัลซอลีิน น่าแปลกมากะทําให้เรานึกถึงชื่อหนังสือเล่มหนึ่งของอิหม่ามนาววีนาววีเนี่ยเป็นอิหม่ามที่เสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยอยู่นะครับสี่สิบกว่า ป, ปีก็เสียชีวิตแล้วแต่ท่านมีผลงานเยอะมากหนึ่งในจำนวนหนังสือที่ท่านเขียนแล้วเราก็ใช้ทั่วโลกใช้หนังสือของท่านนะครับให้รู้จักบ้างหนังสือเล่ม น, นี้เรียบุศลีชื่อหนังสือสวยมากเลยเป็นคนที่เก่งมากในการตั้งชื่อหนังสือเรีย มาจากคำว่าเราตอหมายถึงสวนที่ชุมนุมประหนึ่งว่าการมานั่งเรียนหนังสือเหมือนกับเรากำลังนั่งอยู่ในในสวนอันรื่นรมซึ่งมีแต่ความรู้สึกดีๆร่วมกันรียบุซาเลตินก็คือที่นั่งชุมนุมของบรรดาอัลาเลตีนนะครับเราหวังจากอัลลอฮสุบไบร์ฮฺอลาว่า ให้ที่ชุมนุมของเรากานมานั่งร่วมกันของเรานั้นเป็นหนึ่งในจำนวนเราต่อชนเมนรียลออสซอลีตินเป็นหนึ่งในจำนวนที่ชุมนุมของบรรดาออสอลีตินถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นออสอลีตินเต็มเต็มร้อยความรู้สึกของเรานะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็รักเราเรักที่จะ อยู่กับบรรดาอัลซอลีฮีนเราอาจจะไม่ได้มีสถานะเหมือนกับอัสซาลาฟุสซาล่าบรรดาคนดีๆในยุคแรกๆของอิสลามบรรดาอุลามะที่เรารู้จักแต่เราก็รักคนเหล่านั้นเราหวังจากอัลลอฮฺเราตระหนักว่ า, าะวะด้วยความรักที่เรามีให้กับบรรดาอัสซาลาฟุสซาล่ากับบรรดาอัลซอลีฮีในยุคแรกๆจะทําให้เราได้อยู่ร่วมกับพวกเขาสักวันหนึ่ง นวันอคัคราอเมนยารับบาลอาลามิพีน้องครับชีวิตของเรานี่ไม่พ้นจากการทดสอบจาก Allah سبحانه และ تعالى ทุกวันเราอยู่กับการทดสอบจาก Allah นะครับวันนี้เราก็อยู่กับการทดสอบจาก a l l า h سبحانه และ تعالى สองสามวันคงไม่ใช่สองสามวันน่ะนานกี่วันมาแล้วที่เราอยู่ในบรรยากาศอึมครึมของควันนะฮะเราอยู่กี่วันแล้วประมาณกี่วันได้ละตั้งแต่ก่อนเอิดไหม สองสัปดาห์ได้ไหมสองสัปดาห์ที่เราอยู่กับควันมาเนี่ยพี่น้องได้บทเรียนอะไรบ้างอะได้บทเรียนอะไรบ้างครับสุภาน่ลลหรอควันเนี่ยมีสุรัชหนึ่งอยู่ในอลนัลกุรอานสเรัตุ ด, ดุคอนใครเคยอ่านบ้างสุรอชนี้แปลกมากนะครับผมว่าถ้าเราจะเอาเรื่องควันมาพูดก็ได้เผื่อว่าเราจะได้รับบทเรียน รับบทเรียนอะไรจากควันอินโดบทเรียนอะไรจากควันอินโดสาหรับผู้ศรัทธาทําให้นึกถึงสุราห์นี้เลยครับสุราห์นี้สุราห์อัดคันเราต่ลตั้งชื่อว่าสุราห์ควันพูดถึงควันในยุคสมัยของท่านนบีมฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะสัลลัมเป็นการลงโทษไรละอิลลัลลอฮเป็นอาญาบควันนี้เป็นอาญาบ เวลาที่อัลลอฮ์พูดถึงความในอัลกุรอานนี่พระองมายถึงการลงโทษของ Allah ในสุรทุดุขานที่อัลลอฮ์ตรัสว่า "فرتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغش الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون" โจโจมรัตอันบีมุฮัมมัด ตอนที่ท่านนาบีมูฮัมหมัดด่าว่าบรรดาพวกมุสลิมีแล้วคนเหล่านี้ก็ปฏิเสธต่อต้านอะไรต่างๆนั่นนะละตะละก็เลยลงโทษด้วยการมีอยู่ปีหนึ่งที่ว่าเกิดความแห้งแล้งอย่างมากไม่มีอะไรจะกินจนกระทั่ตงต้องกินใบไม้ต้องกินอะไรนะครับพวกมุสริกีแล้วก็เวลาเงยหนะ้ามองดูท้องฟ้าเนี่ยเห็นควันเต็มไปหมดแล้วก็ ควันที่ว่าเนี้ยยาชันนาะสปกคลุมเต็มไปหมดเลยถ้อ า, าอาซาบนอาลีมแล้วพวกเขาก็พูดว่านี่เป็นการลงโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานอาอัลจาฮฺควันนี้เป็นอาซาบนะครับนักอถาธิบายหรือผั้อาวุโสท่านอธิบายว่าอันดุคอนหรือว่าควันที่พูดถึงในสุรานี้หมายถึงควันที่จะเกิดขึ้นก่อนวันเกียร์มัตถึงแม้ว่าความหมายแรกเนี่ยจะใกล้เคียงใกล้เคียงมากกว่านะครับเพราะว่า สานวนของอายั ก, ก็ดีอะไรก็ดีนี่หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคของท่านนบีแต่ก่อนที่จะเกิดวันแคมัดเองเนี่ก็มีควันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่สามารถที่จะอตอบได้อย่างตรงไปตรงมาว่าไอ้ควันที่มันมาบ้านเราตอนนี้เป็นอาามัดแกรมัดหรือเปล่าเป็นสัญญาณวันแคลมัดไหมแต่อย่างน้อยมันก็เป็นน้องๆไงนะมันพอที่จะ ให้เราได้ตระหนักบ้างว่าดูสิครับภัยของควันที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลงานของคนไม่กี่คนหรือคนไม่กี่กลุ่มไม่กี่กลุ่มผลกระทบของมันในไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ที่เป็นต้นเหตุแต่มันลามาันถึงบ้านเรากี่ร้อยกีิโลเมตรกี่พันกิโลเมตรลองคิดดู เรื่องนี้ก็ทําให้เรานึกถึงบทเรียนอีกประการหนึ่งที่อัลลอลาบอกว่าเวลาที่มีคนทําชั่วคนหนึ่งผลกระทบของมันมันจะครอบคลุมหมดแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่ต้นเหตุหรือคนที่ไม่ได้เป็นสาเหตุในการทําชั่วนั้นก็อาจจะโดนผลกระทบนั้นด้วยวะตะกูฟิทนัตันลาตูซีบันนัลละีนะวาเลมูมิงกุมข้าศ จงเกรงกลัวจงป้องกันตัวเองจากฟิตนะหรือความเสียหายที่จะเกิดมาจากผลของการกระทมของคนไม่กี่คนแต่มันจะครอบคลุมทั้งหมดแล usi, anner, al, ving, ้วตุซีบันนั่นละดีนาะดอเลมูมิงกุ้มขอสอบมันจะไม่โดนกับคนชั่วเท่านั้นแต่คนดีที่อยู่เฉยเฉยไม่ได้ห้ามอันนี้แค่เรื่องควันนะครับเรื่องในเรื่องอื่นในสังคมก็เช่นเดียวกันเรื่องอบายามุเรื่องการ พังนอลอเยะยะไปหมดถ้าคนดีไม่ทำหน้าที่ในการเชิญชวนให้คนอื่นทำดีหักห้ามไม่ให้คนอื่นทำชั่วเราก็จะเห็นผลกระทบของมันเกิดขึ้นกับตัวเราที่เป็นคนดีด้วยน้าวจะเป็นอะไรเหมัอนกันเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเหล่านี้นะครับเราก็คงต้องขอดอาจิศอัลลอฮสุขานาะซะลาให้มันผ่านพ้นไปจากเรานะครับอย่าง รเรเพราะว่ามันเป็นการทดสอบอย่างที่บอกไปนะครับการทดสอบนั้นลอ็อกสเปนเาจะทดสอบมนุษย์ทุกคนทดสอบในระดับปัจเจกบุคคลทดสอบในระดับครอบครัวทดสอบในระดับสังคมทดสอบในระดับสากลเราอยู่ที่นี่เราถูกทดสอบในลักษณะอย่างนี้ในขณะที่คนที่อยู่ในประเทศอื่นอยู่ในภูมิภาคอื่นก็จะได้รับการทดสอบแบบอื่นเพราะว่า วันอาคราชยิ่งใกล้เข้ามาการทดสอบก็จะยิ่งหลากหลายและก็หนักหน่วงมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้นเราเรียกว่าอัลกัดัเป็นการศรัทธาต่ออ ah. ัลกัดัลวลกัดัซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับการศรัทธาต่อวันอาขคราชด้วยบางทีการที่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องเหล่านี้อาจจะทำให้เรารู้สึกว่า ทำไมมันหนักเหลือเกินทําไมเหตุการณ์ต่างๆนี่มันบันทอนความรู้สึกบันทอนกําลังใจเรามากเหลือเกินแต่ถ้าหากเราได้เรียนได้เรียนว่าก่อนที่จะเกิดวันเกียรติม์มันจะมีอะไรบ้างโอเคเราอาจจะไม่สามารถจะรับมือหรือเขาเรียกว่าแก้ปัญหาได้แต่อย่างน้อยที่สุดหัวใจของเราก็ไม่โกรธระวนมากเกินไปอันนั้นสําคัญมากหัวใจ ต้องเข้มแข็งเวลาที่มีฟิตนะหัวใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยภาวะปกติเราก็ต้องมีหัวใจที่เข้มแข็งแต่ในภาวะที่เกิดฟินะหัวใจของเรายิ่งต้องเข้มแข็งมากขึ้นหลายเท่าไม่อย่างนั้นแล้วเราจะกลายเป็นเหยื่อของฟิตนะได้ในฮะดิษที่ท่านนบีสุลต่ามได้สั่งเสียพวกเราคือว่า บ ادر ุ่น بالأعمال ฟิ تن น์ก็ قطع ا, قط ب اب. ب اب. أ ل ل ي ل ا, ل, أ و. و ل, م م ي ل م م จงทาความดีจงรีบเร่งความดีก่อนที่ฟิ تن ห์จะมาแบบแบบอะไรเขาเรียกจะตลุมบอลมาฟิน ن ห์จะมาแบบมาลูกแล้วลูกเล่าเหมือนกับก็ถ้าในลี่ลลมุสลิมเหมือนกับกลางคืนที่มืดมิดยุบเป็นัู้ชายลุ่มเอมินและยุ่ซีคาเฟ เวลาที่เกิดฟิตนัเยอะแยะมากมายเนี่ยถ้าหัวใจไม่เข้มแข็งตอนเช้าเป็นมุมินอยู่ดีๆตอนเย็นก็จะกลายเป็นกาเฟรออุซุบิลลาห์เ อ, เเอยุมซีมุมินันวา่าจะ صبح กาฟรหรือตอนเย็นอย่างเนี้ยเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาอยู่ดีๆพอตกเช้าขึ้นมากลายเป็นกาเฟรไปแล้วเพราะหัวใจไม่มีคุ้ ม, มกข็เพราะฉะนั้นต้องเรียนนะต้องอ่านต้องทำความเข้าใจกับ สิ่งต่างๆที่ท่านนาบีได้พูดถึงสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺตาอัลลาห์ได้บอกล่วงหน้าไว้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อสร้างเกราะป้องกันให้กับหัวใ จ, จของเราเวลาที่ฟิตนะมาเราจะได้ไม่กระวนกรวะวักไม่เป็นเหยื่อของบททดสอบต่างๆนะครับบททดสอบเนี่ยเราเคยพูดหลายครั้งนะครับว่ามันมีหลายแบบมันมีหลายแบบมันมีทั้งแบบด้านลบแล้วก็ด้านบวก มันจะมีทั้งแบบปรากฏการณ์ทางสังคมและก็ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเป็นบททดสอบจอากอัลลอฮ์สุบฮานองตะลาเพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งครับที่เราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อรับบททดสอบจอากอัลลอฮ์ตะลาใครที่สามารถผ่านบททดสอบจอากอัลลอฮ์ตะลาได้อัลฮัมดุลิลละเขาก็จะได้รับความสําเร็จในวันอนัคคีรัดแน่นอนนะครับว่ า, าอัลตะลาไม่ได้ส่งบททดสอบมา โดยที่ไม่ได้บอกคําแนะนําว่าเราจะรับมือกับบททดสอบนั้นอย่างไรทุกอย่างบททดสอบทุกอย่างจะมีคําแนะนําประกอบเอาไว้เรียบร้อยอัลกัดรุลเคนี่คือบททดสอบจาก Allah อัลกัดรอุลชารีคือคําแนะนําจาก Allah ว่าเราจะรับบททดสอบอย่างไงเหมือนกับที่ละตาละบอกโดยฟิตระของเราเวลาที่เราเหิวสามัญสำนึกของเราก็บอกว่า ต้องกินแหละใช่ไหมครับหิวก็ต้องกินอั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่อรัตน์ลาสอนเราโดยสามัญสำนึกเวลาที่เราง่วงนอนเราก็ต้องหาที่หลับที่นอนอ น, นี้เป็นบอกเป็นการบอกเหมือนกันนะครับในการใช้ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเวลาที่มีบททดสอบปุ๊บอรัตน์ลาแนะนำเรียบร้อยแล้วในอัลกุรอานของเราท่านอบดุก็แนะนําเรียบร้อยแล้วลว่าจะต้องทําตัวอย่างไรนี่คือกฎเกม์ สุภานั่นแหละนะครับเป็นอะไรที่สวยงามมากนี่นะครับคือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกกับเราว่าฮุนและดี خلق الموت والحياة ليبلوكم أ ي ك อ أ ح س ุ و ا أ ع م ا ะ ا سورة المول التي เราเรียนไปแล้วอัลลอฮ์สร้างชีวิตสร้างความตายมาเพื่อที่จะดูว่าใครที่จะได้ชื่อว่าเป็นอัลฮานุอัมาล่าคนที่มี อ้ามัลดีที่สุดสวยงามที่สุดในจํานวนคนที่ถูกทดสอบจากเราอัลฮัมดุลิละวันนี้เราจะขึ้นสุรษใหม่นะครับหลังจากที่ก่อนฮักเราได้อ่าพูดถึงสุรษอ่าไม่ใช่สุรษอายุครูสีนะครับ2ตอนเพราะว่าให้ให้เพียงพอนะครับวันนี้เราจะขึ้นสุรษใหม่แล้วหลังจากสุรษุลฮักก็ก็คือสุรษุอัลมาอาริชเรามาอ่านกันต่อเลยนะมีเวลาอยู่นะครับ สุรศุลมาอริจหน้าสมสิบเอ็ดนะ 31, นะถ้าเป็นหนังสือสีชมพูหน้าสมสิบเอ็ดนะครับ ب ا ل ه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع <ت ص في ق> มิห ل ้าอั ا ل م ฮิ้นิลมะ ا าริจมิหน้า و ัลลอฮิ้นิลม في يوم كان من قداره خمسين ألف سنة في يوم كان م قداره خمسين ألف سنة ت ص ب ر ص ب ر ا جميلا س ัลลอฮฺทราบอัน ج م ي ا <س ر ق> إنهم يرونه َََُ بعيداً َ ونراه َُ قريباً ยَْูะตَุนُุเมาอุคัลม ن ลวตคَุุจิُ ا ل ุคัลَงิน ولا يسأل حميم حميمان الحمد لله สิบอีกข้อ المعارج หมายถึงเป็นพระหูพจน์ของคาว่าแม่ราชใครได้ยินไหมครับ อิสราและและเมรัจอิสร็ค uh. ือการที่ท่านนบีส uh ุลลัลละฮ์สัลลัมเดินทางยามกลางคืนจากมัส jid อัลฮารอมไปที่มัสย uh ิ d อัลอักวะอัลเมรัจก็คือการที่ท่านนบีนั้นขึ้นไปยังฟากฟ้านะคับจากมัสยอัลอ ไปยัง sidratu al-muntaha Mi'raj Mi'raj ก็คือการคืนฝา المعارج เนี่ยมาจากคำว่า Mi'raj ไม่มีอัลิฟหมายถึงถ้าจะแปลตามภาษาคำของเราก็คือบันได mosad หรือ mosad ในภาษาปัจจุ บ, บันเนี่ยคนอาหรับเขาจะใช้กับคำว่าเขาจะใช้กับอัลิฟ แม่รับเนี่ยเขาเรียกว่ามอซอดมออดก็คือลิฟต์หรือบันไดเลื่อนเวลาที่เราไปในประเทศอาราบเขาจะเขียนมอซอดมอซอดก็คือลิฟต์ขึ้นไปยังที่สูงอันนี้คือแม่รับเอ่อแมร์จน้าฟาหูพดคออัลมาของแมร์จอัลแมริจหมายถึงบันไดนะครับอะไรคือบันไดหรืออะไรคืออ่า ลิฟต์ที่เราตั้งอัลามีสุลิฟด้วยสุราบรนดนะครับอยามาดูกันเพราะว่าสุราตุลมาอาริเนี่ยมีคาว่าอัลมาอาริพูดถึงในสุราห์นี้นะครับสุราห์นี้โดยภาพรวมจะพูดถึงการที่บรรดาุชริมยกย่อยท่านนบีซุลแลห์ะฮัลลัม ไม่ปฏิเสธปฏิเสธท่านนาบีไม่ศรัทธาต่อท่านนาบีต่อคําสอนต่อการด่วาวะของท่านนาบีและยังเยอะเยอะท่านนาบีด้วยนะครับอัลลอฮ์สุฮาห์นะจัลละก็เลยตอบโต้คนเหล่านั้นพร้อมกับปลอบโยนท่านนาบีของเราไม่ให้เกิดความทุกข์กับการที่บรรดามุชรีกินนั้นได้เยอะเยอยท่านแล้วในตอนกลางของโซระอัละอละพูดถึง จุดอ่อนของมนุษย์เนี่ยที่เราบอกว่าเวลาที่เราอ่านอัลกุรอานในหลายๆโซรล่ในบางอายัดที่อัลกตลาพูดถึงจุดอ่อนของเราบางทีผมก็อยากจะให้พวกเราได้ลองทำสวดประจำตัวเข้าใจคำว่าสวอไหมฮะสวอสวอสวอ s w o t การวิเคราะห์สวดตที่เขาใช้ในการบริหารจัดการ หนยงานต่างๆในปัจจุบันที่เขาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและก็ปัญหาน่าสนใจมากนะครับถ้าเราเอามาใช้กับตัวเองเราวิเคราะห์สวัด์ของมนุษย์ด้วยหลักฐานจากอัลกุรอานอิเเคริมอัลลอฮฺตะลาพูดถึงมนุษย์เนี่ยอะไรบ้างที่เป็นจุดแข็งของมนุษย์ที่อัลลอฮฺตะลาพูดถึงอะไรบ้างที่เป็นจุดอ่อนของเราที่เราจะต้องระวังและต้องแก้ปัญหาต้องป้องกันตัวเอง อัลละพูดในอัลกุรอานของโรมในสุรทูลมาอาริจอัลลอจะพูดถึงจุดอ่อนบางประการของมนุษย์ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่เสี่ยงมากถ้าหากไม่ได้รับการป้องกันการเยียวยาการแก้ไข س ุ ح อัลลอฮเป็นการเขาเรียกว่าภาษาภาษาภาษาเเรียกว่าบงการบงการนี่หมายถึงอภาษาไทยอะไรบงการแช่ แฉ ใ, ให้เรารู้ว่าเราเนี่ยมีนิสัยอย่างไงความอ่อนต้อยของเรามีอะไรบ้างบางที่เราไม่รู้หรอกตัวเราเองเราไม่รู้รเราไม่รู้จุดอ่อนอะไรบ้างต้องให้อัลลอฮฺบอกให้เรารู้ในสุรษร์นี้มีพูดถึงปิบนกลางๆสุรษรพร้อมๆกับคาแนะนําว่าเราจะแก้ปัญหาจุดอ่อนนี้อย่างไงใครบ้างที่ปลอดภัยจากภาวะเสียเ่ยงเี่อัลลอฮากำลังจะพูดถึง นี่คือนะครับเนื้อหาบางส่วนโดยรวมจากสุรัตุลมาอาริเริ่มต้นขึ้นมาอัลตาัลาก็บอกว่าเป็นการอธิบายนะครับสุราษฎ์นี้อุลามะบางคนอธิบายว่าเป็นสุราษฎ์ที่ถูกประทานลงมาหลังจากสุราษฎ์อัลฮะก็เลยนะครับเนื้อหามันมีความเกี่ยวข้องกันในสุรัตุลฮะก็ oh leh. ที่เราเรียนไปอัลตาลากพูดถึงการลงโทษพูดถึงสภาพของวันอาครัต พูดถึงบรรยากาศของความโกลาหลความน่าสะพรึงกลัวของของวันอาครัตพอมาในสุรัก์นี้อัลล อ, อพูดถึงคนที่ได้รับการเตือนว่าวันอาครัฐจะเป็นยั ง, ง้นอย่างนี้แต่ไม่เชื่อสุดท้ายมาเยะเย้ยท่านนาบีสัลลัลลอฮสัลลัมว่าถ้าสมมติว่าสิ่งที่เจ้าเนี่ยพูดบอกเรา ว่ามันจะเป็นจริงขึ้นมาวันอาคคระจะเป็นยังงน้นโอ้ท่านอับีนีเพูดบอกหมดทุกอย่างเลยะว่าอัลกัลลาจะจะทำให้เกิดอะไรบ้างในสวรรค์เป็นยังไงในนรกเป็นยังไงคนพวกนี้ไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วอย่างเยอเยยท่านนบีด้วยถึงกับพูดว่าถ้าสิ่งที่เจ้าพูดมานี่เป็นเรื่องจริงไหนให้อัลกัลลาประทานอาซาบลงมานี่คือความหมายของอายัรแรก سأل ส ا ئ ล์บ้างざบวากหนึ่งในจำนวนคนมุีกินที่ไม่ศรัทธาต่อท่านนาบีสุลตานละสัลลัมได้เรียกร้องให้ท่านนาบีเนี่ยให้อัลลอฮตะลา ล, ลงโทษพวกเขาแบบจักจะเห็นต่อหน้าเลยขออย่างนี้เนี่ยขอจริงไหมหมายถึงว่าอยากจะเห็นการลงโทษจริงรอเปล่าไม่ เป็นการขอแบบถากถ า, างไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นจริงก็งเลยขออย่างนั้นนะเหมือนที่อัลลอฮ์ตะลาพูดถึงในส ورة อัลอัมฟาลที่อัลลอฮ์ตะลาบอกว่ า, นะวาคคอ่าว่ก่านนาาาาะาาาาาาาาาาาลาาาาาาาาาาาาาาาาาาอาาาาาาาาาานาาาอาานา่าาาาาาาาาาาบาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา ไว้ที่นั้นเบอาซาบินอเล ا พวกเขาเหล่านั้นกล่าวว่าถ้าเป็นเรื่องจริงถ้าวันอัคเครัตมีจริงถ้าคนที่ปฏิเสธอัลลอฮฺจะโดนลงโทษจริงยาอัลลอฮ์เอาหินไฟลงมาให้เราดูเลย ขออย่างงี้เลยครับ mm hmm. นราจะไปละห์มิได้หรือหรือเอาอะไรมาก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นหินไฟที่เจาระทิทมินาสามารถมันต้อง ใ, ให้หินลงมาจากท้องฟ้าให้อุกกาบาต ล, ลงมาโดนพวกเขาเลยเป็นการท้าทายแต่ว่าอัลลอฮฺลงโทษลงมาจริงหรือเปล่าครับไม่อัลลอฮฺไม่ลงโทษลงมาเพราะอะไร สาเหตุที่อัลอลาฮ์ไม่ได้ส่งอุกกาบาทมาไม่ได้ลงโทษพวกเขามาเป็นเพราะวา่ า, าอัลล์บอกเองนะครับว่ามาคานุลลอฮูลัยูอซีบะฮฺมุอันท์ที่ิหมเหตุที่อัลลอลาไม่ประทานลงโทษแบบให้เห็นจะจะหน้าพวกเขาเลยเป็นเพราะมีท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮะสัลลัมอยู่ในระหว่างพวกเขาด้วยอันนี้คือสาเหตุที่อัลอลอไม่ประทานบทลงโทษลงมาว่ามาคานลลอฮลยูซบะฮมอันีิ ว่าการัลลอฮฺมะ عزبهم วะฮฺมิ ستوفر ุนอัลลอฮฺ تعالى ไม่ลงโทษคนพวกนี้เนื่องจากว่ามีบางคนแอบอิสติฟาร์น่าแปลกไหมครับคนกาเฟรเองเนี่ยแอบอิสติฟาร์กลัวว่ามันจะมีการลงโทษลงมาจริงๆ <c oughs> คือหลายๆคนน่ไอ ι, พวกที่เป็นกเฟรเป็นกุฟารมักกะเป็นกุฟารเป็นพวกผุชริกินกุรเรชเนี่ย ส่วนหนึ่งออกมาท้าทายท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุสซาลลัมอีกบางส่วนหรืออาจจะเป็นพวกเดียวกันเนี่ยพอพอท้าทายท่านนาบีเสร็จเนี่ยพอกลับไปถึงบ้านแอบไปขอขอโทษเจาลอเมื่อกี้เนี่ยอย่าลงมาจริงๆนะ อ, อสติฟารพวกกาเฟรเองนี่ก็อสติฟารต่ออัลลอฮ์ س ละเพราะกลัวการลงโทษใครที่อสติฟารต่อ Allah, Allah อัลล์ัะก็จะไม่ส่งบทลงโทษลงมา เพราะฉะนั้นบางทีสิ่งที่เราเห็นอยู่ในวันนี้นะพวกควันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องรณรงค์ให้เราอิสติฟารให้เยอะอิสติฟารให้เยอะสำหรัอัลลอฮฺอาตุลลอฮิให้เยอะรณรงค์เรื่องอิสติฟารขออย่ยโทษเจ้าลัทธิวาตานาหรือว่าลัทธิอะไรจะเอาควันไปจากเราะไปลงที่อื่นไปลงในทะเลที่ไหนก็ได้อย่ามาลงที่มนุษย์อิสติฟารนี่มีประโยชน์มากนะครับ สามารถที่จ ะ, ะขจัดการลงโทษที่อาจจะเกิดกับเราได้และสามารถเรียกริษเกอในอัาาลลอฮ์ il il นะครับนี่คือการทัดไทซาอฺละซาอฺอิลุนบิอัลเาบห์เป็นวะแคนเหล่านั้นนะมีคนที่ขอนะฮะดิษบางหะดิษบอกว่าระบุชื่อด้วยนะครับบางรายงานนี้ระบุชื่อว่าชื่ออันนับรอิบนุลฮาริส อันนั้รอับนุลฮาริสนะบางคนบอกว่าพี่อันนั้นรอับนุลฮาริฟบางคนบอกว่าเป็นคนอื่นนะครับถึงจะเล้วมันไม่ได้มีน้ำหนักหรือมีความหมายนะครับหมายถึงว่าถึงจะระบุหรือไม่ระบุชื่อแต่ก็เป็นที่ระบุชัดเจนอัลลอฮฺตาอัลลเองไม่ได้ระบุชื่อตรงนี้เพราะว่ามันมั น, ม, นมันจิ๊บจ้อยเกินไปไอ้คนที่มาขอท้าทายกับอัลลอฮ์สวาบัตอัลลเนี่ยไม่ใช่เป็นคนอะไรที่มีมีอะไรเขาเรียกมีเกียรติมีอะไรทั้งสิน้นนะเป็นพวก พวกไรแถวนะ ไ, มไม่ควรที่จะพูดถึงไปเลยเพราะฉะนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับเกี่ยวกับชื่อว่าใครเป็นคนขอนไม่ได้มีปัญหาอะไรที่สำคัญก็คือว่าพวกมุสริกีนะครับท้าทายตันนบีอย่างนั้นลิลคาฟิรีนไลสเลหูดาฟะนะอีอาจที่พวกเขาขอขอกันเนี่ยอัลลอาลาบอกว่ามันจะต้องมาอย่างแน่นอนอาะว่ากะ ตงเกิดขึ้นแน่นอนอาจจะเกิดขึ้นในโลกดุนเนียอย่างเช่นที่เกิดขึ้นในสงครามบักฑิตหรือสงครามต่างๆที่บรรดาพวกมุสลิกินพ่ายแพ้และถูกฆ่าถูกประหัรประหารเสียชีวิตไปหลายคนโดยเฉพาะในสงครามบัณฑเนี่ยถือเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้คนเหล่านี้เห็นภาพว่าอัลลอฮ์สุบฮานตะอลามีความสามารถที่จะพลิกโอกาสพลิกสถานการณ์จากเดิมมุสลิมเป็นคนที่ ถูกกดขี่มาตลอดแต่ในสงครามบาดาซึ่งจำนวนมุสลิมมีน้อยกว่าเยอะมีสา0ร้อยคนในขณนะที่มุสลิีมีหนึ่งพันคนแต่ในสงครามบาดาเนี่ยบรรดาหัวโจบบรรดาคนที่เป็นหัวหน้าผู้นำของมุสลิมเนี่ยเสียชีวิตไปหลายคนอย่างนั้นที่สุดนะเขาก็จะได้รู้แล้วว่าเนี่ยอาซาบว่าแกมันจะเกิดขึ้นเนี่ยนี่คือในดูเนียในอาคราตแน่นอนที่สุดว่าอาซาบในวันอัครานั้นหนักหนวงมาก ลิลกัฟิรีน่าเลซาลาห์ดาเฟะซึ่งบรรดาคนกาเฟิรนั้นไม่สามารถที่จะด้าเฟะหมายถึงป้องกันไม่ให้มันลงมาไม่มีทางที่พวกเขาจะป้องกันได้จากอัลลอฮ์สุบานัตละเพราะว่าอาซาบนี้เป็นอาซาบของอัลลอฮ์ไม่ใช่อซาบของมนุษย์ด้วยกันมินอัลลอฮ์อลัอลลอฮ์ตะลาบอกเองอาซาบที่ว่านี้มินงอัลลอฮ์มาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์คือใคร Allah คือผู้ยิ่งใหญ่ขนาดไหน min a ล l a ิ u il Maarich ผู้ที่เป็นเจ้าของ al m า a r i c h มาแล้วชื่ออัลมาอาริ h มาแล้วหมายความว่าถ้าคนเหล่านั้นรู้จกัก a l ล a h سبحانه แล ะ, ะ تعالى จริงๆว่าพระองค์มีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนพระองค์มีความเปลี่ยนแปลขนาดไหนพระองค์สูงส่งขนาดไหนก็จะไม่ขออาซาบ หรือไม่ ท, าท Allah, ้าทายอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ละเยี่ยงนี้แต่เนื่องจากด้วยความโง่เขลาวความะเห็นความไม่รู้เรื่องความดื้อด้านของคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮาทำให้พวกเขากล้าที่จะท้า ท, Allah, ทายอัลลอฮ์ทั้งๆที่พระองค์นั้นทรงเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่พระองค์ยิ่งใหญ่ขนาดไหน zilmaaris หมายถึงผู้เป็นเจ้าของ almaaris อัลมาอาริชนะครับเวลาที่เราไปดูทัฟ s เนี่ยมีการทัฟซีรออกมาเป็นสองแนวแนวหนึ่งเพราะว่าตัฟซีรแบบเชิงรูปธรรมหมายถึงว่ามีบันไดจริงๆบันไดระหว่างโลกกับท้องฟ้าซึ่งเป็นที่ที่บรรดามมลัยกัดใช้ขึ้นลง ระหว่างโลกดุนยานท้องฟ้าที่ไปรับคำสั่งจากอัลลอฮ์ซุลฮานาอัลลออันนี้อธิบายเชิงรูปธรรมนะกรัฟซีรอีกส่วนหนึ่งอธิบายเชิง น, นมามธรรมหมายถึงว่าอัลมาอาริชตรงนี้หมายถึงระดับชั้นหรือน่ระดับชั้นของผู้ศรัทธาในสวรรค์ตอนในสวรรค์เองเนี่ยพวกเราก็จะได้อยู่ในสวรรค์เนี่ยอินชาอัลลอ์นะครับ ไม่เหมือนกันบางคนก็จะอยู่ระดับล่างๆบางคนก็อยู่ระดับสูงหรือแม้กระทั่งระดับชั้นในโลกดุนยาก็เช่นเดียวกันซิลฟาดลิซินมิอามิวลฟวาวดลตับเีรอบทับเสืรีรอธิบายว่าหมายถึงพระองค์ Allah ผูาา้ทรงประทานเนื้มัตไม่เหมือนกันเวลาที่ Allah ประทานริสกีให้กับเราเหมือนกันไหมครับ บางคนได้ริสกีเท่านี้บางคนได้ริสกีเยอะกว่าบางคนได้ริสกีบางคนมีตำแหน่งที่สูงส่งในในในโลกดุริยาทั้งหมดนั้นเป็นการกำหนดจากลอสซาบาเราต่าละทั้งสินอย่างก็ตามนะครับความหมายที่ใกล้เคียงที่สุดเนี่ยเนื่องจากว่าสำนวนของอายัดเนี่ยมันมันมั น, ม, นมันอธิบายเพิ่มเติมในอายัดถัดไปที่ลอสตาลาบอกว่าการูจุลแม่ลอคทุวรรูฮุอิลฟยมิน กาณาเมตตาโรหูคำซีอบันไดที่ว่าเนี่ยนี่คือความหมายแบบรูปธรรมซึ่งมันน่าจะเป็นความหมายที่ใกล้เคียงที่สุดในในสำนวนในอายัดนี้นะครับเป็นบันไดที่บรรดา马าอิกัดใช้ขึ้นวรูห์อัลมาลาอิกัดก็คือบรรดา马拉อิกัดอรูห์อรูห์เองก็มีการทับซีลสองแนวนะครับสองแบบความหมายโดยเปิดโดยโดยผิวเผินตรงนี้ก็คือ มลเลกษัจบรีมลเลกษัจบรีนี่เป็นหัวหน้าของบรรดามลเลกษัรูห uh, mm ุลอามินทำไมที่พูดถึงมลเลกษัร์แล้วต้องเอาจ mm ิบรีมาจริงๆแล้วถ้าพูดถึงมลเลกษัร์เนี่ยรวมจ mm ิบรีด้วยหรือเปล่าครับก็รวมจ mm ิบรีอยู่แล้วด้วยแต่เอาจิบ hmm. รี mm hmm. มาอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการแสดงออกว่าจ mm ิบรีละห์อิสลามเป็น หวหน้าบรดาเมลัยกัตและมีเกียรติสูงกว่ามมลัยกัตอันอื่นๆนั่นเองนะครับเป็นที่ที่บรรดามมลัยกัตใช้ขึ้นและจิบรีเองก็ใช้ขึ้นนะท afsir อีกแนวหนึ่งที่เขาตั f ซ i r ว่าอารูปรงนี้หมายถึงวิญญาณของมนุษย์ทุกคนไม่ใช่เฉพาะจิบรีวิญญาณโดยเฉพาะวิญญาณของบรรดาผู้ศรัทธาหรือวิญญาณทุกดวงนะครับเวลาที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจะขึ้นไปข้างบน ของบรรดาผู้ศรัทธาในเวลาที่ขึ้นไปข้างบนปุ๊บก็จะขออนุญาตจากจา ก, จากท้องฟ้าชั้นที่หนึ่งท้องฟ้าชั้นที่หนึ่งมาเที่เฝ้าท้องฟ้าชั้นฟ้าชั้นที่หนึ่งก็จะอนุญาตให้ขึ้นไปขออนุญาตจากอัลลอฮ์ในขณะที่วิญญาณของคนกาเฟรไม่สามารถที่จะขึ้นพลุฟ้าชั้นที่หนึ่งไปได้แล้วอะไรจะส่งกลับลงมานี่คือ ม, ม, ม, มีอยู่ในมีระบุในฮะ ด, ดีสของท่านนาบีนะครับฮะ ด, ดีสที่ยาวมากที่พูดถึงการ การที่วิญญาณของมนุษย์คนหนึ่งนี้ออกจากร่างมนุษย์ที่เป็นมุลหมินปวิญญาณออกจากร่างยังไงอเดชนี้พูดถึงการที่วิญญาณนั้นขึ้นไปสู่ท้องฟ้าด้วยนะครับก่อนที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งมาอยู่ในร่างอีกครั้งหนึ่งตอนที่เขาอยู่ในในบโบูวัลลอฮฺ ت ع ا ل ละเพราะฉะนั้นจะรูจุลมาเลิกะตุว ร, รูห์อีเละหมายถึง บันไดที่เราแต่ละสร้างนี้ระหว่างแผ่นดินกับท้องฟ้านี่เป็นที่ที่บันดามาลาอิกัสนั้นขึ้นไประยะทางของมันเนี่ยนะอัลลอฮฺใ uh นวันหนึ่งระยะทางหนึ่งวันหนึ่งวันของการขึ้นไปของมาลาอิกัตและของยิบริลเนี่ย เท่ากับคำซีน่าเอลฟ์ห้าสิบพันห้าสิบพันก็คือห้า0มืนเท่ากับห้า0มืนปีในโลกดุนยาโลกดุนยาที่เรามีชีวิตอยู่อย่างวันนี้ยี่สบสี่ชั่วโมงเท่ากับกี่วันห้า0มืนปีเท่ากับกี่วันคุณสิห้า0มืนคุณคุณเท่าไหร่ 365หห้าหรือสามรหสิบหกถ้าไรครับกวัน e จะบอกว่าระยะทางมันไกลามากแต่มาละอไอการลกับอิบรีลเนี่ยขึ้นไปหาอัลลอฮ์สุลตานเนี่ยภายในหนึ่งวันในวันอนาคราสนะครับซึ่งระยะทางของมันจริงๆแล้วถ้าเทียบกับเวลาที่มีอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยเท่ากับห้าหมปีไกลขนาดไหน ในยมแคม قدار วอฟวันงเนี่ยวันในอดีเนี่ย่อัลอลาวว่าในวันนึงเนี่ยก็มีการตั้ซีรออกมาเป็นหลายหลายาหลายความเห็นนะครับจากบรรดาอุลามะนะครับในอิบนุกะซีรเองเนี่ยได้ระบุถึงสี่ความเห็นด้วยกันนะครับสี่ความเห็นอิมรุกะซีรเนี่ยอธิบายว่า في يوم كان م قدار ه กห ا ألف سنة ในหนึ่งวันซึ่งระยะทางของมันเท่ากับ5้าหมปีเนี่ยหมายถึงอะไรว่าเหมนที่เหนนะครับว่าเรา ل ด้ไปที่ ا หนมานั ا นค ا ب ที่ไหนนั ي นคือที่ไ ا ل س ا ف ل وه ن ن ا ي وهوقر ا หน ر ั่นค ا อที่ไหนนั่นคือที่ไหนนันทีทห่ออัหนอั แผ่นดินชั้นที่เจ็ซึ่งเป็นแผ่นดินชั้นที่ต่ำที่สุดเนี่ยระยะทางของมันเท่ากับห้า0มืนปีนี่คือความเห็นที่หนึ่งความเห็นที่สองที่มุกัสิีบเอามาพูดนะครับอัน ا ต م ุ ا د بذلك م د น بقاء ا ل ุ ن ي ا منذ خلق الله العالم إلى قيام ا ل س า ع หมายความว่าความว่าระยะห้า0มืนปีนี่หมายถึงอายุของโลก ของโลกดุนยาตั้งแต่วันที่อัละะลอฮฺแต่ลาสร้างจากรางวัล น, นี้มาจนกระทั่งวันอาคราตนะครับอัลลอฮฺอัลลอนะครับความหมายเราจะรวมกันยังไงกับที่บรรดานะักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าโลกของเรามีอายุมาเท่ากับกี่ล้านปีมาแล้วนะครับอัลลอฮฺอัลลออันที่สามอันนั้นโยมุลฟาซล์เบยนะดุนยาแัลอาคระว่าหัวลนการีบนจิตเดนอันนี้เป็นความเห็นที่แปลกลวก่ากโลนการีบอกว่า คอมเมนต์นิดหน่อยนะฮูกาซตตเองก็คอมเมนต์ว่าว่าหัวเข้ลอนการีบนจิตดนันเป็นความเห็นที่แปลกมากๆเลยนะครับหมายถึงวันที่ขั้นกลางระหว่างดุนียะกับอะเครัสนะฮะเป็นความเห็นเหมือนกันมีความเห็นด้วยนะครับว่าวันที่บอกว่าห้าหมืนปีนี่หมายถึงหลังจากที่ดุนียะสิ้นไปแล้วแล้วอะไรก็จะให้อะเครัสเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีวันที่ขั้นกลางอยู่วันที่ขั้นกลางนี่มีอายุห้าหมืนปีแต่เป็นความเห็นที่ แปลนะครับซึ่งเป็นการคอมเมนต์ของอิมมุลกาซิลเองความเห็นสุดท้าย ว, ว, ว, วัอันนัลโมรดาราลิกะเยุลกิ亚หมายถึงวันกยมัดหนึ่งวันของวันเกยรมัรเนี่ยเท่ากับห้ามนปีพี่น้องครับหนึ่งวันของวันเกียรมัซึ่งในวันกยมัเนี่ยถ้าดูจากการอธิบายของอุลามาบางคนของตัสซีอย่างเช่ น, นตัสซีอัสซาดีเนี่ยัะ ในวันแกมัดเองเนี่ยลอตตาลาจะให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์เราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของล่องสว่างตาลาในวันแกมัดเนี่ยโดยการที่ลอตสว่างตาลาจะให้บรรดาเมาลัยกัดขึ้นไปหาพระองค์ณนะอัลัชของพระองค์ซึ่งระยะการเดินทางในวันนั้นเนี่ยเท่ากับหนึ่งวันก็คือห้าหมื่นปีของโลกนี้ลองนึกสภาพดูสิว่า ห้าหมืปีที่เรารอการตัดสินจากอัลลอฮ์สุบฮานาอัลลอฮฺมันยาวนานขนาดไหนยอมไม่อนุาะอะไรนะสำหรับคนกัฟฟรมีพูดในสุราอัลมุดดิศิร์เรยบแบบว่า "كان يوما على الكافرين عسيرا" สุราอะไร "وكان يوما ع ى الكافرين อัลลอฮตะอลาบอกว่าวันกิยามัตเป็นวันที่ลำบากมากๆสำหรับคนกาเฟรเพราะในความรู้สึกของคนกาเฟรเนี่ยเขาจะต้องรอการสอบสวนจากอัลลอฮฺตะอลาเป็นระยะเวลาถึงห้า0มื่นปีในขณะที่สำหรับผู้ศรัทธา ไม่ต่างไปจากการละหมาดฝ ร, รดูเพียงแค่หนึ่งฝรดูเท่านั้นผู้ศรัทธาเป็นุยไอพีในอาคเชรัสนี่คือความแตกต่างระหว่างคนที่เป็นผู้ศรัทธาคับคนที่เป็นคนกาเฟวันอาคเชรัสเนี่ยจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนความรู้สึกความรู้สึกความทนทุกข์ ความทรมานดเนไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นพี่น้องครับชีวิตของเราจริงๆความลำบากจริงๆความสบายจริงๆก็คืออัครรัตไม่ใช่ดุนเนีความขาดทุนจริงๆไม่ใช่ความขาดทุนในดุนเนีแต่เป็นความขาดทุนในวันอัครรัต จงกล่าวเถิดมหฮัมมัดว่าบรรดาคนที่ขาดทุนก็คือคนที่ขาดทุนตัวเขาเองครอบครัวของเขาในวันอาครันี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอสุบฮานาวาตัลลดุนยาเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับถึงแม้เราจะมีความรู้สึกว่ามันหนักหนาขนาดไหนหรือถ้าเรารู้สึกสบายขนาดไหนมันก็ยังมีความความทุกข์อยู่ในดุเนยีย ความทุกข์ในดุนีอาถึงแม้มันจะสาหัสขนาดไหนถ้าจะเอาไปเทียบกับความทุกข์ในอาครัตเทียบกันไม่ได้เลยอัลฮัมดุลิลละที่เราได้เจอกับความทุกข์เล็กๆน้อยๆในดุนีอาเพื่อให้เราได้ตรนนะหนักว่าเราจะต้องเจอกับความทุกข์สาหัสสาคันในอาครัตแล้วเราก็จะได้กลับตัวอิยาตเทออร์ลาสอัลอาพูดถึงความหายนะในโลกดุนีอาเนี่ยอัลอาลากบอกว่าอย่างไงซ๊ฮาร์ลฟเซ ฟิลบริวอลบาหรความหายนะในโลกดุนยาเกิดมาจากสองมือของมนุษย์ไอควันป่าที่มันมาถึงเราเนี่ยก็เกิดมาจากสองมือของมนุษย์ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์บางคนซรบบอบเพื่อให้เพื่อที่ Allah อยาจะให้พวกเขาได้ลอง ผลงานบางอย่างที่เป็นผลลกรรมจากการกระทาของพวกเขาเพียงแค่เล็กน้อยในตอนท้ายของอายะห์อัลลอลาบอกว่าละอัลลัฮุน يرجئون เพื่อว่าพวกเขาจะกลับไปหาอัลลอะ์อัลฮัมดุลิลละที่เราได้รับบททดสอบถ้าเราไม่มีบททดสอบเราอาจจะไม่กลับไปหาอัลลอะ์เพราะฉะนั้นเวลาที่เจ็บเวลาที่ปวดหัวเวลาที่โดนดบททดสอบเล็กๆน้อยๆอยก่อนที่จะอดครวน เราทำัวเรียนลก่อบททดสอบเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ในบางมุมมันก็มีเน่หมัดอยู่เพื่อให้เราได้นึกถึง Allah แล้วเราก็จะได้กลับไปหาไปหา Allah ซูฮ า, านะครับหวังว่าสุรตุลมาอาริกจะเข้ากับสถานการณ์บ้างพอสมควรให้เราได้ตรักะให้เราได้เห็นให้เราได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษ ควรจะต้องใช้ชีวิตยังไงนะควรจะต้องรับมือกับชีวิตที่เป็นบททดสอบจากอระเจ้าสุภาราตตาอะไรอย่างไงนะครับพี่ชอว์ละมีเรื่องต่างๆที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องในอายัดต่อๆไปนะครับซึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องทเทวราชตาลากาลังจะแฉะนะครับจะแฉะความลับที่ดํามืดในใจของมนุษย์ทุกคนว่าเราเป็นคนยังไงและเราควรจะต้องทําตัวยังไงไม่ให้ความดํามืดของเรานั้น มาควบคุมตัวเราเราอุ ل ิศบิลลัลนี่คือการขบอัลลอฮ์ تعالى แล้วสุลลัลลอฮ์แะนบีอัลโมฮัมเหม็ดอัลลอฮีและ صحبه และสัลลัม سبحان ربيك رب العزة أَمَّا يَسِيفُونَ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله و